ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่3าเรื่องทีี่าที่เมื่อวันก่อนพระเทุเกขุนอาจารย์ได้อธิบายว่ามีต้องมีสองคู่นะครล้มีสติเป็นตัวกลางดัง่ันผมอยากจะขอสเสนอว่าท่านผมจะพิจารณาว่าในกรณีที่นอกจากพิจารณงงาในแง่ที่เป็นสองคู่แล้วมีสติีเป็นตัวควบคุ ม, มแล้วนะครับ เรามองในแง่ว่าเป็นลำดับขั้นที่ก็เป็นไปได้นะเชศรัทธามาเกิดไม่ได้ยากเกิดสติเกิดสมาธิแล้วก็นําไปสู่ปัญญาก็เวลาทํางานมันก็หนุนกันอยู่ตลอดมันหนุนกันถ้าเราไปมองในแง่ลำดับมันจะไปอยู่ในชุดอื่นมากกว่าชุดนี้มันมุ่งในการมาทํางานประสานมาช่วยหนุนกันแต่ว่าอย่างที่เราพูดแล้วศรัทธาก็หนุนปัญญาศรัทธาเป็นเบื้องต้น ปัญญาเป็นที่สุดแต่ว่าในแง่นี้เราต้องการมองในแง่ของการทํางานประสานกัน <Yeah. S 1> จึงได้มามองในแง่ความสม่ำเสมอพอดี <Yeah. S 1> มากกว่าถ้ามองในแง่นั้น <Yeah. S 1> ก็จะไม่เห็นในลำดับในชุดอื่นอย่างเช่นโพชชงอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> นั่นจะทํางานลำดับ <Yeah. S 1> อเอานะทีนี้วันนี้ก็พูดเป็นเกร็ดความรู้ดีกว่าไม่ต้องถือเป็นเรื่อง หนักหนาจริงจังเดี๋ยวจะรู้สึกว่ายาก <Yeah. S 1> คือถ้าให้มองเป็นเรื่องผ่านๆ <Yeah. S 1> อย่างน้อยว่าอ๋อได้เคยได้ยินแล้วเรื่องนี้อะไรก็อย่างดี <Yeah. S 1> ความจริงมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไว้ศึกษาในอีกระดับหนึ่งแต่ว่าเมื่อเรื่องมาเกี่ยวข้องแล้วก็เลยพูดถึงซะนี่พูดถึงเรื่องปัญญาเนี่ย เราว่ามาตามลำดับเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องการทำงานประสานกันในระบบการพัฒนาคนก็พูดมาหมดแหละทีนี้แต่และอย่างละอย่างนี่เราก็มาพูดรายละเอียดกันบางส่วนในข้อที่ควรทราบศีลก็พูดไปแล้วสมาธิก็พูดไปแล้วปัญญาก็เริ่มบังแล้วนี่ปัญญาก็ มาพูดเพิ่มเติมหน่อยก็เคยบอกไว้แล้วปัญญาเนี่ยก็มีหลายระดับหลายขั้นตั้งแต่การรับรู้เลยพอเห็นได้ยินก็ทำไงจะเกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ได้เห็นได้ยินเป็นตน้นแล้วก็รู้ตามเป็นจริงเนี่ยรับรู้โดยไม่ถูกเจ้าตัว อกุศลก็ามาครอบงําเช่นความชอบใจไม่ชอบใจอย่างที่ว่าทําไงจะรับรู้ไม่ใช่ตา ม, ตามชอบใจไม่ชอบใจแต่ว่ารับรู้ด้วยปัญญารับรู้โดยมองตามเหตุปัจจัยเป็นต้นแค่นี้ก็ยากแหละหรือว่าเวลาคิดคิดพิจารณาวินิจฉัยสิ่งต่างๆทําไงจะวินิจฉัยตัดสินไปโดยความรู้ตามสภาวะ คือตามความเป็นจริงแท้ๆไม่ใช่มีกิเลสโลภะโทสะโมหะเข้ามาครอบงำถ้าโลภะความอยากได้ผลประโยชน์ส่วนตัวโทสะความขัดเคืองเกลียดชังเข้ามาครอบงำการวินิจฉัยสิ่งต่างๆก็เกิดอคติเอ็งเอียงมันก็ไป ม, มีเรื่องอคติอีกถ้าอาคติเข้ามาก็ปัญญามันก็ไม่บริสุทธิ์มันก็ไม่เป็นปัญญาแท้ๆ นอกจากนั้นมีปัญญาที่รู้ลึกซึ้งเข้าไปอีกเรื่องวิเคราะห์แยกแยะสิ่งต่างๆออกไปให้เห็นชัดนอกจากว่าสิ่งนั้นคืออะไรแล้วยังว่าประกอบด้วยอะไรเป็นอย่างไรนอกจากนั้นยังมีปัญญาที่รู้เหตุปัจจัยสืบค้นสืบสาวว่าที่เป็นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรเนะี่ยมีอะไรก่อนจึงมีอันนี้หรือการที่สิ่งนี้มีขึ้นต้องอาศัยปัจจัยร่วมอะไรบ้าง ทำให้มองโยงความสัมพันธ์กับสิ่งอื่นๆเป็นระบบไปเลยอันนี้จะทำให้เข้าใจธรรมชาติกว้างขวางออกไปแล้วก็เอาความรู้นั้นมาเชื่อมมาโยงสามารถที่จะใช้ความรู้หรือข้อมูลเก่าๆความเข้าใจเก่าๆมาประยุกใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันในการแก้ปัญหาตลอดจนกระทั่งคิดเชื่อมโยงความรู้นั้นสร้างเป็นความรู้ใหม่ๆ สร้างสารรค์ทำสิ่งใหม่ๆได้ตลอดจงกระทั้งรู้โยงความจริงของสิ่งต่างๆในธรรมชาติได้ทั่วถึงเกิดความเข้าใจแจม่มแจ้งในสังขารทั้งปวงหรือโลกและชีวิตทั้งหมดมองเห็นเป็นความอย่างรู้อย่างเห็นเข้าถึงแก่นความจริงของสิ่งทั้งหลายหรือความจริงที่ครอบคลุมสิ่งทั้งหมดทาให ปลดเพื่องจิตเป็นอิสระได้นี่เนี่ยปัญญามีหลายขั้นหลายระดับหลายแง่เหลือเกินหรือเราอาจจะแยกสั้นๆเฉยความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวกิจการของมนุษย์ที่เป็นเรื่องสมมติที่จะทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตประจำวันอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ทำกิจการงานต่างๆได้สำเร็จเช่นรู้วิชาการต่างๆแล้วก็รู้ไปถึงตัวสภาวะธรรมชาติของสิ่งต่างๆ อยู่เบื้องหลังของสมมตินั้นอยู่เบื้องหลังของการที่มนุษย์จะเอามาใช้ประโยชน์นีก็คือตัวความจริงแท้ของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็รู้ถึงการเชื่อมโยงระหว่างความจริงแท้ของสิ่งทั้งหลายกับการที่มนุษย์จะนำมาใช้ประโยชน์ว่าความรู้สองระดับนี้นก็ต้องเชื่อมโยงอาศัยกันปัญญาเยอะแยะเหลือเกินเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเลย านีปัญญาคาว่าปัญญานั้นเป็นคำรวมเป็นคำที่กว้างที่สุดแต่เรื่องของปัญญานั้นเพราะเหตุที่มีหลายด้านหลายระดับหลายแง่ก็เลยมีชื่อเรียกจำเพาะ อ, ออกไปเยอะแยะชื่อเหล่านั้นมักจะเป็นชื่อที่ใช้เรียกปัญญาที่ทำงานในหน้าที่จำเพาะจำเพาะไป เพราะนั้นเราจะได้ยินคำอื่นที่มีความหมายเป็นปัญญาในอีกเยอะแต่ก็ต้องทำความเข้าใจอย่างที่พูดไปแล้วย้าว่าปัญญาเป็นคำที่กว้างที่สุดในเรื่องของความรู้ความเข้าใจแล้วใช้ปัญญาในครอบคลุมหมดทุกระดับใช้ตั้งแต่ชั้นโล ก, กีจนถึงโล ก, กุตระอันนี้พอเราไปพูดถึงปัญญาในชื่ออื่นๆเนี่ย มักจะเป็นชื่อที่ใช้จำกัดปัญญาที่มีชื่อจำกัดใช้เฉพาะกรณีหรือใช้เฉพาะการทาหน้าที่บางอย่างของปัญญาก็จะยกตัวอย่างมาให้ฟังอย่างที่พูดไปแล้วเร่องคำวสัมปชัญญนะก็อธิบายไปแล้วว่าต่างกับปัญญาอย่างไรที่จริงไม่ใช่ต่างกับปัญญาเป็นเพียงปัญญาที่ทาหน้าที่ ในกรณีหนึ่งเราเรียกชื่อว่าอย่างนี้นะคือคำว่าปัญญานั้นครุมหมดนี่ผมก็จะยกตัวอย่างมาให้ฟังชื่อปัญญาตะขืนมานึกในเวลาสั้นๆนึกไม่ไหวเนะเพราะฉะนั้นก็เลยเอาเขียนมาให้เลยนะี่ลองฟังดูที่บอกเป็นเกดความรู้จะได้เห็นว่าปัญญานี่ชื่อมันเยอะเหลือเกินแล้วก็มีทั้งชื่อที่นำเข้ามาใช้ในภาษาไทย จนเป็นคําไทยไปแล้วก็มีเป็นชื่อที่คนไทยไม่คุ้นก็มี <Yeah. S 2> ก็จะได้ยิ น, นชื่อที่คุ้นก็มีเยอะเช่นปัญญาวิชา <Yeah. S 2> พุทธิโพธิญาณวิปัสสนาวิจัยวิมังสาสัมปัชัญญะปฏิพานอโมหะสัมมาทิฏฐิ โกศปฏิสัมพิธานี่นอา้าวนอกจากนี้ยังมีอีกนี่ชักจะได้ยินน้อยกว่าเช่นเมธามันตาโยนิปันดาเนปักกะ ว, วิจารณาวิจาราทีนะ่ทีที่มีคำว่าทีระนะจากคำว่าทีเนี่ยมาเป็นคนเป็นทีระตัวทีนะเป็นปัญญา หรืออย่างเมธาเป็นปัญญาแต่พอเป็นเมธีเป็นคนมีปัญญานีในคำหนึ่งก็คือคำาเวทะของพรา ม, าม์ก็ไปใช่เรียกคำผีพ ร, ระเวทเวธาตัวนี้ก็เปนปัญญาเป็นความรู้เป็นคนก็เป็นเวทีน αι. ยังมีอีกมติมุติภูริเนปุญญะเนปักกะ จินตาเวภ พ, พยาอุปปริขาปรินาจิกาเป็นต้นหลายชื่อคิดว่าท่านยังไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหมแต่หลายคำพว ก, <อ>กที่หนึ่งนี่เป็นคำที่อาจจะคุ้นมากหน่อยทั้งที่มาใช้ในภาษาไทยและในวงการธรรมะแล้วกลุ่มที่สองนี่ได้ยินน้อยลงกลุ่มที่สามนี่แทบไ ม, ม่ได้ยินเลยก็มีกลุ่มที่หนึ่งก็มีปัญญาวิชาพุท ธ, ธิโพธิ ญาณวิปัสนาวิจัยวิมังสาหรืที่จริงบาลีเป็นวีมังสาสัมปชัญญะปฏิพานอมโมหะสัมมาทิฏฐิโกศลปฏิสัมพิทาแล้วก็เวทะหรือเวทนะที่เป็นคนเป็นเวทีเมธาเป็นคนเป็นเมทีมันตาโยนิปันดาปันดาเป็นคนเป็นบัณฑิตในะนปักกะ วิจารณาที่คนเป็นทีระมะติมุติภูริเนปุญญะเวภพพยาจินตาอุปป ร, ปริขาปรินาจิกานะอันนี้ที่ท่านสุรเดชถามอุเบกขานะมันเป็นสภาพจิตที่อาศัยปัญญาอีกทีมีปัญญาแล้วนะ่ะจึงเกิดสภาพจิตนี้ได้ไม่ใช่ตัวปัญญานะ อันนี้ต้องแยกกันให้ดีเนะี่พาสภาพจิตบางอย่างต้องอาศัยปัญญาปัญญาก็มาปรับสภาพจิตนะอันนี้ก็อุเบกขาก็ถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญาก็เป็นอัญญานุเบกขาเฉยโง่อย่างที่เคยพูดไปแลนะ้วไงเฉยไม่รู้เรื่องเนะเป็นอกุศลวิมุตตเหรอครับออวิมุตตก็เป็ น, เ, ปนเรื่องของอาการพ้นไปของจิตนะีจากกิเลสนะีแต่วิมุตตนั้นเป็นทั้งมรร เป็นมร ก, ก็ได้เป็นผลก็ได้เป็นนิพพานก็ได้แล้วแต่จะแปลแปลมร ก, ก็คือการที่หลุดพ้นไปได้จากกิเลสเป็นมรปิมุติเป็นผลก็คือภาวะที่ได้หลุดพ้นจากกิเลสนะแล้วก็เป็นนิพพานหมายถึงภาวะที่คนเข้าถึงเมื่อจิตหลุดพ้นนะแปลได้หลายอย่างอา้าวทีนี้กลับมาเรื่องปัญญาเดี๋ยวจะสับสนนะเรื่องอื่นเอาไว้ก่อน เาพระเหตุที่ปัญญามีหลายชื่อเนี่ยเราจึงต้องได้หลักการคร่าวๆบอกว่าเอานะปัญญานี่เป็นคำกว้างที่สุดครอบคลุมหมดแล้วก็จะไปเรียกชื่ออะไรเราก็ไปดูอีกนะบางคำมันก็เป็นคำที่สงวนไว้ใช้สำหรับในกรณีพิเศษจริงๆอย่างโพธิเงี้ยมาถึงการตรัสรู้เลยตัางทางที่ว่าโดยตัวศัพท์มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับคาว่าพุทธิ พุทธิโพธินี่ตัวรากสับก็ตัวเดียวกันจากบาลีท่านเรียกว่ า, าธาตุธาตุก็คือตัวรากสับกับพุทธเนี่ยพุทธาทาธาตุคาเดียวกันแล้วพอมรรมตามมายากรออกมาเป็นพุทธิตัวหนึ่งออกมาเป็นโพธิตัวนึงแต่ใช้ในความหมายไม่เหมือนกันแหละใช่ไหมโพธินี่มุ่งเอาปัญญาปีชาญานสูงสุดตรัสรู้ เป็นวระสมาาสพุทธเจ้าแต่พุท ธ, ธินี่ใช้ได้กับคนทั่วไปความเข้าใจรู้เหตุรู้ผลอย่างนี้นะอันนี้เป็นเรื่องของบางทีก็เป็นเรื่องความนิยมหรือการที่ว่าได้ใช้จงกระทั่งว่ามีความหมายจำกัดกเฉพาะเรื่องของความหมายค้อสั์นี่มันเกิดจากเหตุหลายอย่างนะบางทีก็ตัวศั์เองมันแสดงความหมายไปด้วย ก็ขอให้นึกเทียบอย่างคําว่าเดินนะคําว่าเดินนี่อาจจะมีศัพท์อื่นอีกเยอะก้าวยางย่องนะยุรญาติเยื่องยางดําเนินใช่ไหมยังมีราชดําเนินพุทธดําเนินหน่วยนาฏอะไรต่างๆอีกนะคําว่าปัญญานี่ก็ถ้าเทียบกับรูปธรรมคล้ายๆคําว่าเดินเป็นคําที่กว้างที่สุดทีนี้ คำอื่นนั้นบางคำก็เป็นเพียงอาการส่วนหนึ่งของการเดินเช่นจะเดินต้องมีการก้าวใช่ก้าวก็เป็นส่วนหนึ่งของการเดินย่างก็เป็นส่วนหนึ่งของการเดินใช่หหรืออย่างย่องก็เป็นการเดินชนิดหนึ่ง <c oughs> หรือว่ายืงย่างก็เป็นอาการเดินอีกแบบหนึ่งยุระญาตก็ไปอีกอย่างดำเนินก็เดินทั้งทังที่มันก็ตัวเดียวกัน เพียงแต่แผลงเดินเป็นดําเนินแต่เวลาใช้จะไปใช้ในกรณีที่ควรใช้เดินไปใช้ดําเนินมันก็รู้สึกไม่เข้ากันใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเรื่องปัญญาที่มีชื่อต่างๆมันมีเหตุผลหลายอย่างนะเอาไปว่าปัญญากว้างที่สุดเหมือนคําว่าเดินทีนี้บางคําก็เหมือนกับคําว่าก้าว บ, บ, บางคำก็เหมือนกับย่างบางคําก็เหมือนกับย่องอะไรอย่างนี้นะเอานะคิดว่าเข้าใจ อันนี้่ารู้แนวกวา้างนี้แล้วเราก็อาจจะยกตัวอย่างบางคํามาพูดกันที่ยกตัวอย่างไปแล้วก็สัมปชัญญะใช่ไหมอธิบายไปแล้วว่ามันเป็นปัญญาที่ใช้ในกรณีอย่างไรทีนี้วันนั้นท่านไพโรจน์ถามเรื่องปัญญากญานเนี่ยอันนี้ก็น่ารู้เหมือนกันปัญญากระยานก็เป็นอนว่ายานก็เป็นชื่อหนึ่งของปัญญาแต่เป็นปัญญา ที่ทำหน้าที่สำเร็จผลในเรื่องนั้นๆปัญญาํากว้างๆความรู้ความเข้าใจมันก็ทำงานไปรู้เข้าใจเรื่องๆต่างๆไปเลยแต่ญาณ น, นี่หมายถึงปัญญาที่ทำงานสาเร็จผลเป็นเรื่องๆไปเลยนะอย่างอะไรอตีตังสยานญนะาณกาหนดรู้ส่วนอดีตนี่เห็นไหมอย่างรู้ส่วนอดีตนี่ปัญญาทำงานสำเร็จผลในเรื่องนั้นคือในเรื่องส่วนอดีต นะหรืออย่างนามรูประปริเฉ ท, ทยานญานกำหนดแยกนามและรูปไดนะ้นี่หมายความว่าเป็นปัญญาที่ทำงานสำเร็จผลเป็นเรื่องเลยในเรื่องนามรูปนี่โอ้รู้เลยว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามแยกได้ใช่ไหมหรือปัจจยะปริคหายานญานที่กำหนดจับปัจจัยของนามรูปได้โอ้รู้ว่าโอ้นามรูปเกิดเพราะอะไรนามอันนี้นะ มีเพราะปัจจัยอะไรมีอะไรเป็นเหตุปัจจัยนะรูปอันนี้เกิดจากอะไรอะไรอย่างนี้เนี่ยสืบต่อมาอย่างไรนี่ยานก็เป็นความรู้เป็นปัญญาที่ทำหน้าที่ทำงานสาเร็จในเรื่องนั้นนะก็เราจึงมียานเยอะแยะไปหมดตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นในเรื่องเล็กๆน้อยๆนะก็เป็นยานอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งจนกระทั่งไปถึงโพธิยานนี่ คือปัญญาที่ทํางานในการตรัสรู้สัจธรรมสําเร็จใช่ไหมหรือว่าอาสวยายาัคยญาณปัญญาที่ยังรู้ทําไปที่สิ้นอาสวะหรือรู้ถึงการที่จะทําอาสวะให้สิ้นไปได้เห็นไหมเป็นเรื่องว่าเป็นเรื่องๆไปเลยเรื่องญาณเนี่ยเราจึงจะเห็นว่าโดยมากจะมีคํานําหน้า ก็เป็นยานในเรื่องอะไรแล้วก็จำกัดไปในเรื่องนั้นๆๆในข้าใจเลยนะนี่มาพูดถึงยานอย่างนี้แล้วก็เลยยกตัวอย่างยานที่ให้เห็นว่ามียุ่ยแย่ไปหมดอย่างวิปัสนาญาณเก้าพอดีเมื่อคืนวันนั้นก็คุณที่ขับรถแท็กซี่มาก็ถามถึงเรื่องของการสอบอารมณ์ซึ่งเป็นคำไทยนี้สอบอารมณ์เขาก็จะดูว่าผู้ที่ปฏิบัติวิปัสนานั้น ได้ปฏิบัติก้าหน้าสำเร็จไปได้ญาณลำดับไหนนะก็จะดูลำดับญาณที่ได้บรรลุนะอันนี้ลำดับญาณตามปกติก็จะใช้หลักใหญ่คือหลักวิปัสนาญาณเก้าแต่่าวิปัสนาญาณ9ก้า น, นี่มันมีความจำกัดอยู่ในระดับที่สาคัญมากทีนี้อยากจะวัดให้มันได้ลงมาถึงต่ำๆกว่านั้นวิปัสนาญาณ9ก้า ก็จะอยู่ในระดับที่เรียกว่าไม่ไม่พอคือมันสูงเกินไปกรับานนั้นก็หายานที่มันต่ำลงมามาช่วยวัดอีกก็เลยเอามารวมกันได้ส6บยานหรือว่ายานโสรถเรียกเต็มคือเรียกแบบวาลีก็เป็นโสรถสยานยานส6บห สำหรับสายวิปัสนาสำนักต่างๆนี้มักจะชอบเอาหลักยาสิบเนี่ยมาใช้วัดความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติวิปัสนานะเขาวิปัสนานี้เป็นเรื่องของปัญญาเมื่อกี้บอกเราวิปัสนาเป็นชื่อหนึ่งของปัญญาแปลตามตัวเป็นการเห็นแจ้งหมายถึงปัญญาที่เห็นแจ้งความจริงของสังขารทั้งหลายของทุกสิ่งทุกอย่างเห็นความจริงของธรรมชาติ ซึ่งเป็นไปตามกฎธรรมชาติได้แก่พระใจลักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะเนี่ยวิปัสสนาเป็นเป็นปัญญาประเภทนี้ทีนี้ในวิปัสสนาเนี่ยจะมีการก้าวไปเป็นคันคันเยอะเลยแล้วก็จะมียานของวิปัสสนาที่เรียกว่าวิปัสสนาญาณซึ่งพระรารกถาจาร์รวมไว้มีเก้ายางนะซึ่งในพระใจปิฎกท่านก็มาได้มาจัดไว้อย่างนี้ละ ท่านก็ไปรวมอามาจากัมภีปฏิสัมพิธามรักปฏิสัมพิธามรักก็เป็นพระใจพิดกเหมือนกันแต่หมายความว่าในพระใจพิดกเนี่ยท่านไม่ได้มาจัดเป็นชุดไว้ท่านเพียงแต่ว่าบอกหัวข้อไว้ชื่อยา น, นในบทแรกของคำภีปฏิสัมพิธามรักเนี่ยจะว่าได้เรื่องยานต่างๆมากมายเต็มไปหมดท่านก็ให้หัวข้อชื่อยานไว้มากมายนี้พระอาจารย์รุ่นพระอาจารถาเนี่ยก็ คงจะสืบมาตามสายการสอนของครูอาจารย์ก็มาจัดเป็นวิปัสนาญาณเก้า 9, นะจับเอาจากคำภีปฏิสัมพิทามรักซึ่งมีอยู่ในหน้าที่หนึ่งเลยเริ่มต้นขึ้นมาท่านขึ้นเรื่องญาณท่านก็บอกว่าโอ้ยชื่อญานนั้นยา น, นั้นเยอะแยะไปหมดนะฉันก็จับเอามาเก้าอันเนี่ยว่าเป็นญานในวิปัสนาะเนีนี้ ในคำเภียรุ่นหลังมาอีกเนี่ยในในวิสุทธิมาร์กเนี่ยจับมาได้เป็นเก้าเลยวิปัสนาญาณเก้าเพราะมาคำเภี์อพิธรรมมันจะสังหะจับมาเพิ่มก็เอามาจากปฏิสัมพิธามากนั่นแหละเนี่ยวิสุทธิมาร์กเอามาแค่ 9, เก้าอภิธรรมมันจะสังหะเอามาสิบเอามาอีกตัวหนึ่งเอามาอันต้นอันก่อนก่อนของวิปาานนัสนาญาณเก้า ก็เลยในอภิธรรมม ส, สังหาเป็น ว, วิปัสนาญาณสิบไม่เป็นเก้าแหละนทีนี้พอมาอาจารย์รุ่นหลังอีกต้องการจะมาตรวจสอบวัดลูกศิษย์อยากให้ได้ขันน้นต้นเพราะกว่าจะถึงวิปัสนาญาณที่พระบุทโคศอาจารย์ในวิสุทธิมารว่าไวเนี่ยมันต้องขึ้นไปขั้นสูงหน่อยก็เลยมาเอาที่ต่ำๆกว่ารวมแล้ว เลยทั้งก่อนวิปัสนาญาณเก้าแล้วไปนับเอาหลังวิปัสนาญาณเก้าสูงขึ้นไปอีกรวมเป็นสิบหกที่ว่าเมื่อกี้เพิ่มก็อีกเจ็ญาณก็เป็นวิปัสอะเนเป็นญาณสิตอนนี้ไม่เรียกวิปาาัสนาญาณเรียกญาณเฉยเวิปัสไ อ, อเรียกว่าญาณสิหเรียกเป็นไทยกันง่ายๆว่าญาณโสรถหรือโสรถสยานโสรถก็แปลบหนั่นเองก็ามาใช้เป็นหลักในการตรวจสอบความก้าวหน้าในการเจริญวิปัสนา นะอันนี้ก็เป็นความรู้พิเศษอย่างที่ว่านะท่านอย่าไปเอาจริงเอาจังนักเพราะมันยากนะยานี้ให้ได้ยินผ่ า, ผานไว้นี่ก็เรื่องของการปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยที่มาในพระไตรปิฎกแท้ๆนะว่าเป็นลําดับไปเลยในการปฏิบัติเนี่ยท่านเรียกว่าวิสุทธิเจใครเคยได้ยินบางวิสุทธิเจต วิสุทธิเเนี่ยเป็นหลักของคําพีวิสุทธิมักเลยวิสุทธิมักแปะว่าทางให้ความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจะใช้หลักวิสุทธิเจเนี่ยเป็นหลักของคําพีวิสุทธิมักนะในวิสุทธิเจ็ดนี่ก็เป็นหลักธรรมที่มาในพระสูตรเป็นพระสูตรหนึ่งเลยนะทีนี้ในพระสูตรเนี่ย กล่าวถึงลำดับแห่งการปฏิบัติไปสู่ความบริสุทธิ์ก็เป็นความบริสุทธิ์ในแต่ละขั้นเนี่ยฟังไว้เราจะเห็นความสัมพันธ์ในใจสิกขาด้วยเนี่ยใสิกขามีศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมฮะเอาละมาดูวิสุทธิเจตเราจะเห็นว่าเนี่ยใจสิกขาไปขยายเป็นวิสุทธิเจตก็ได้วิสุทธิเจก็มีหนึ่งศีลวิสุทธิเนีความหมดจดแห่งศีล น, นี่เห็นไหม เนี่ยมื่อเจริญใจศีรขาอันแรกก็เจริญเรื่องศีลก็ได้ศีลวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งศีลเสร็จแล้วต่อไปอันที่สองเรียกว่าจิตลวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งจิตอันนี้ได้สมาธิแล้วน ะ, ะมาแล้วต่อไปอีก5วิสุทธิปัญญาหมดเลยนี่เห็นไหมเรื่องปัญญาเรื่องใหญ่ศีลวิสุทธิ จิตวิสุทธินี่สีสมาธิไปแล้วต่อจากนี้เป็นเรื่องปัญญานี่กว้างขวางเหลือเกินอีกห้าขั้นก็มีอะไรมีทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งทิฏฐินะเกิดความรู้ความเข้าใจเห็นถูกต้องแล้วเป็นสมาธิทิฏฐิจริงแล้วตอนนี้นะแล้วก็ไปอะไรต่อไปจากทิฏฐิวิสุทธิก็ไปกังขาวิจารณาวิสุทธนะิความบริสุทธ แห่งปัญญาที่ทําให้ข้ามพ้นความสงสัยได้เนี่ตอนทิฏฐินี้ถูกและเข้าหลักและถูกหลักแต่ตัวเองก็ยังไม่หมดความสงสัยปัญญาได้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นต่อมาก็กังขาวิตรนวิสุทธิเป็นความบริสุทธิ์แห่งปัญญาที่ข้ามพ้นความสงสัยได้กังขาวิตรณวิสุทธิต่อจากนั้นไปอีก มัคคามัคคายานทศนวิสุทธิเนี่ยความบริสุทธิ์แห่งปัญญาที่มองเห็นว่าอะไรเป็นทางและไม่ใช่ทางเป็นมรรคหรือไม่ใช่มรรคนะีอันนี้ทางหรือไม่ใช่ทางนะนี่แยกแล้วตอนนี้ตอนนี้จะเดินทางเข้าทางที่ถูกต้องมาผ่านขั้นที่ว่าแยกผิดแยกถูกได้ต่อไปก็ปฏิปาาทาญาณทัศนวิสุทธินี่ตอนนี้เป็นความบริสุทธิ์แห่งปัญญาความอย่างรู้อย่างเห็น ที่เป็นตัวทางและเนี่ยเข้าทางแล้วทีนี้เข้าเห็นทางเลยคราวนี้เมื่อกี้นี่มันแยกทางผิดทางถูกทางหรือไม่ใช่ทางคราวนี้เข้าทางเห็นรู้ว่าเป็นปฏิปทาเป็นทางเป็นตัวทางที่จะถึงนิพพานแท้ต่อจากปฏิปทายานทัศนวิสุทธ์ก็ถึงข้อสุดท้ายเหลือแค่ญาณทัศนวิสุทธิ์แปล ว, ว่าความหมดจดแห่งปัญญาที่อย่างรู้อย่างเห็น ก็หมายถึงอย่างรู้อย่างเห็นสัตธรรมเลยคราวนี้ถึงนิพพานเลยนะเมื่อกี้นี้เป็นทางตอนนี้เป็นตัวตัวความรู้ที่เป็นยาเป็นเป็นโพธิเลยนะเอานะ น, นี่เป็นเจ็อย่างนี่เรื่องว่าวิสุทธิ์การปฏิบัติที่เราเรียกว่าวิปัสสนาเนี่ยซึ่งที่จริงในกรณีนี้ไม่ใช่เฉพาะวิปัสสนาแล้วมันหมดเลยกระบวนการปฏิบัติทั้งหมด จนกระทั่งบรรลุนิพพานนะ่อยู่ในวิสุทธิ์เนี่ยนะนะแล้วก็ครอบคลุมตจสิกขาแต่ว่าจะเห็นชัดว่าขั้นตอนสำคัญอยู่ที่ปัญญาซึ่งมีตั้งห้าขั้นตอนอันนี้ห้าขั้นตอนของวิสุทธิ์ทีน7นี่แหละพอได้สีละวิสุทธิสีหมดจดแล้ว จิตวิสุทธิจิตหมดจดแล้วได้สมาธิดีแล้วต่อจากนี้เป็นขั้นปัญญาพอเริ่มตั้งแต่ขั้นปัญญาทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นไปตอนนี้จะเกิดญาณต่างๆญาณคือความอย่างรู้ที่จะทําให้ได้เป็นวิสุทธิชั้นนั้นๆเพราะฉะนั้นเรื่องญาณต่างๆก็จะมาในวิสุทธิเนี่ยตั้งแต่ทิฐิวิสุทธิเป็นต้นไป น, ะ น, นี้พระอาจารย์ท่านก็ไปรวบรวม ญาที่ท่านบอกไว้ในหนังสือคมภีร์ปฏิสัมพิธามักที่ผมพูดเมื่อกี้อยู่ในพระไตรปิฎกนะซึ่งรู้กันว่าเป็นคำภีร์ที่พระสารีบุตรแต่งนะอันนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่งแต่ว่าพระสารีบุตรก็เรียนมาจากพระพุทธเจ้าแหละใช่ไหมแต่ว่าเพราะท่านมีปัญญาปราดเปรื่องมากเป็นคมภีร์ของพระสารีบุตรในพระไตรปิฎกนี่มีคำพีของพระสารีบุตรแท้ทๆอยู่ตั้งสามคำพีปฏิสัมพิธามัก นิเทศมหานิเทศยุลนิเทศนี่เป็นคำพีคำวสารีบุตรหมดเป็นการอธิบายคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึง้งนอกจากนั้นยังมีพระสูตรที่ภาษารีบุตรกล่าวก็ต่างหากในที่อื่นแต่ว่าเฉพาะที่เป็นทั้งคมภีร์เป็นเล่มๆเลยเป็นล้วนๆของภาษารีบรุทีนี้ปฏิสัมพิธามักก็อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มสามสิบเอ็ดอันนี้หน้าแรกบอกเลยว่ามีชื่อยานต่างๆ อันนี้พระอาจารย์รุ่นหลังท่านก็ไปเอาชื่อยานเหล่านี้มาแล้วก็มาจัดระบบให้เห็นในการปฏิบัติอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้อันนี้ยาที่ท่านเอามาใช้เนี่ยที่ว่าโสรสยานยาสิหก็เริ่มเกิดตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิ การที่ทิฐิจะวิสุทธิจะเกิดความหมดโจท์แห่งทิฏฐิก็เพราะเกิดญาณปัญญาที่ทางานสาเร็จในเรื่องหนึ่งสำเร็จในเรื่องอะไรล่ะญาณสิบหกก็เริ่มตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิที่จะทำให้เกิดทิฏฐิวิสุทธิก็คือนามรูปะปริเชทะญาณนี่แปลว่าญาณที่กำหนดแยกนามและรูปได้ปริเฉทะกำหนดกำหนดแยกให้เห็น อย่างน้อยเริ่มต้นก็รู้ว่าโอ้นี่สิ่งทั้งหลายบรรดามีที่เรารู้เห็นชีวิตคนในกอนในขอต้นไม้อะไรต่างๆเนอะมันไม่มีอะไรหรอกมันมีเพียงนามารูปเท่านั้นเองนี่ <c oughs> เป็นสภาวะตามธรรมชาติมีเพียงนามละรูปลองดูสิอะไรแต่ในโลกเนี้อา้าวไม่ไม่เป็นนา ม, มันก็เป็นรูปพอรู้อย่างนี้แล้วมันก็แยกได้สิว่าอันนี้เป็นนามอันนี้เป็นรูปใช่ไหมเช่น <c oughs> อย่างที่ผมยกตัวอย่างคืนนั้นบอกว่าอา้าวพอเรามองเห็นอะไร ตัวจักรุปสัตว์ตาที่มองเห็นนี่เป็นรูปธปรรมใช่ไหมแล้วก็สิ่งที่เรามองเห็นก็เป็นรูปธปรรมส่วนการเห็นคือเป็นจักรุวิญญาณเป็นนามธรรมอย่างนี้ก็เรียกว่ากําหนดรู้นามารูปโดยแยกได้ว่าอันไหนเป็นรูปอันไหนเป็นนามนี่ท่านบอกว่าเป็นญาณที่หนึ่งในญาณโสรสหรือโสรสยานญาณสิบหนะ เอามาใช้ตรวจสอบเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสํานักวิปัสสนาจะเริ่มได้สอนอันเนี้ยเอาแยกให้ได้นะอย่างวัดมหาธาตุก็ต้องสอนใช่ัหมว่าตาเป็นรูปนสีเป็นรูปนการเห็นหรือวิญญาณเป็นนามนอย่างนี้เป็นต้นนี่อย่างี้นี่เรียกว่านามรูประปริเฉทะยานนี่เป็นญาณที่หนึ่ง พอกำหนดรู้จักว่าโอ้สิ่งทั้งหลายในโลกบรรดามีมันก็แค่นี้เป็นรูปธรรมนามธรรมสภาวะตามธรรมชาตินอกนั้นมันก็เป็นเรื่องของการสมมติกันไปเป็นโน่นเป็นนี่เป็นในกรในขออะไรไปอย่างนี้ท่านเลยว่าเข้าทิฏฐิวิสุทธ์แหละนะพอได้นามารูปปริเฉ ท, ทยานก็ได้ทิฏฐิวิสุทธ์ความบริสทุทธิ์แห่งทิฏฐิคือความเข้าใจหรือทิฏฐิถูกต้อง อา้าวทีนี้ต่อไปพอเดินหน้าไปอีกพอนอกจากรู้ว่านามารูปแล้วทีนี้ก็สืบได้ว่านามรูปนี้แต่และอย่างละอย่างเนี่ยมันเกิดจากปัจจัยอะไรมันไม่ได้เกิดลอยๆนะมันเป็นไปนตามปัจจัยเข้ามันน่ยอย่างที่ว่าอา้าวทำไมจะ เ, เกิดจากควิทญาณอา้าวก็เพราะว่าจากขุปสา萨迦รูปอารมณ์น่ยสีเข้ามา กระทบกันเกิดจากขู่วิญญาณขึ้นนึ่เรียกว่าจับปัจจัยได้อย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเวทนาความรู้สึกมีเพราะอะไรมีเพราะผัสสะนีะเรียกว่าตัณหาเกิดเพราะอะไรเพราะว่ามันมีความติดในเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์อะไรอย่างนี้เป็นต้นพอกำหนดจับปัจจัยแห่งนามรูปได้อันนี้เรียกว่าปัจจัยะปริหายานแลว้วญาณที่กาหนดจับ ปัจใจเขาหน้ามารูปได้ก็ข้ามไปเป็นวิสุทธิข้อที่สี่ซึ่งเป็นข้อที่สองในด้านปัญญาคือกังขาวิจารณวิสุทธิมันก็เริ่มอมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆท่านก็เลยเรียกว่าข้ามพ้นความสงสัยนี่นะเรียกว่ากังขาวิจารณวิสุทธิเป็นวิสุทธิข้อที่สี่ในเจข้อแต่เป็นข้อที่สองในหมวดปัญญาอันนี้ ก็ก้าวไมอีกขั้นหนึ่ง น, ะนี่ลำดับยานจะเห็นว่านวิน โ, โศรสยานยาน16ข้อที่สองแล้วนะนะหวังว่าคงไม่สับสนนะนะขั้นนี้พอได้ยานนี้เป็นกลางขาววิจารณวิสุทธิน์นี่พระตถตถาจารบอกท่านผู้นี้เป็นจูละโสดาบันเป็นพระโสดาบันน้อยนะที่จริงยังเป็นปุตุชนล่ะเพราะท่านยังไม่นับเป็นพระโสดาบันไปพระตถรถาจาร์นีท่านมา แยกขยายเห็นเพื่อว่าจะเห็นความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติถ้าบอกเนี่ยขั้นนี้เป็นจูละโสดาบันแล้วนะเป็นโสดาบันน้อยแล้วว่ากันนะ่เออคนปฏิบัติก็ค่อยใจชื้นหนะอ่อยเออถึงเรายังไม่ได้เป็นพระโสดาบันก็ยังได้เป็นพระโสดาบันน้อยวนะนะ่าง mm ันเนีเนเอานะเป็นจูละโสดาบันนะได้กังขาวิจนาวิสุทธิคือได้ปัจจะยปริขาดยานได้ยานที่กาหนดจับปัจัย แห่งนามารูปได้อ้าวทีนี้ต่อไปต่อไปกอ็อันที่หนึ่งทวนอีกทีนะฮะกำหนดแยกนามารูปได้สองก็จับปัจจัยเข้ามันได้สืบสาวูปไปปัจจัยเป็นมาอย่างไงต่อไปสามรู้ต่อไปอีกโอ้สภาวะลักษณะเข้ามันที่มันเป็นไ ป, นปนตามปัจจัยเนี่ยโอ้มันเป็นมีอาการที่เรียกว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆ สังขารชีวิตร่างกายรู ป, ปรธรรมนามธรรมจิต เ, เจใดสิกรวนแต่อยู่ในภาวะที่เป็นอนิจจังทุกขังนัตตาไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปน่ตั้งอยู่ไม่ได้เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันไ ม, ไม่ไม่มีตัวมีตนเน่เรียกว่าเป็นพระตามพระใยลักญาณอันนี้เรียกว่าสัมมสนญาณญาณยยาที่พิจารณาสังขารตามพระัยลักถึงขั้นนี้ พอถึงขั้นนี้แล้วมันเข้าจะจวนจะเข้าวิปัสนาแท้แล้วนะเนี่ยนี่เนี่ยตอนเนี้จวนจวนแต่ท่านยังไม่นับเป็นวิปัสนาแทวิปัสนาแท้จะขั้นต่อไปพอถึงตรง น, นี้แล้วเป็นตัวจ่อเข้าสู่วิปัสนาพอเห็นแนวตามแนวไตรลักษณ์ก็จะท่านบอกตอนนี้จะเกิดวิปัสนูปกิเลสอุปกิเลเ ข, ขงวิปัสนานะีเช่น เกิดความรู้สึกว่าโอ้โหเข้าใจอะไรแต่ละชัดเจนไปหมดหรือว่าเกิดการเห็นเป็นแสงเป็นสีสวยงามและเป็นแสงสว่างนะเกิดหรือความสงบเป็นพิเศษอย่างที่ตัวเองไม่เคยประจักษ์มาเลยประสบการณ์ตอนเนี้ยจะทําให้เกิดความหลงผิดโอ้โหเหมือนกันนึกว่าตัวเองตรัสรู้แล้วนะ แต่ท่านเรียกว่านี่คือวิปัสสนูปกิเลสปกิเลส ข, ของวิปัสนานะไม่ใช่ตัวจริงอันนี้ผู้ปฏิบัตินี่ก็ตอนนี้มันอยู่ที่ขั้นที่พิจารณาเข้าใจพระใจลักเมื่อไม่หลงไปตามวิปัสนาก็จะเข้าใจความจริงและเห็นทางที่ปฏิบัติที่แท้ที่เป็นเรื่องของปัญญาแท้แท้แยกได้ว่าไม่ใช่อาการที่ว่ามาเกิดประสบการ ได้พ่วงมาเป็นความรู้สึกสงบเป็นความสาว่างสาวไวเป็นความรู้อะไรต่างๆไม่ใช่แต่สย่างานี้พอแยกได้หละนี่ถ้าเรียกว่ามรคมรกยายทัศนวิสุทธ์แปล ว, ว่าความบริสุทธิ์อย่างปัญญาที่มองเห็นว่าเป็นมรคและไม่ใช่มรคหรือทางหรือไม่ใช่ทางนะเนี่ยตอนนี้อยู่ในขั้นที่เรียกว่าสัมมสนญญเอานะได้สามญาณและในญาณสิบหก มาถึงมัคคามัคคายานทัศนวิสุทธิ์ซึ่งเป็นวิสุทธิข้อที่ห้าในวิสุทธิเจ็ดและเป็นข้อที่สาในวิสุทธิฝ่ายปัญญาเนะี่ยข้อที่สามหรือสี่ก็หนึ่งสีแล้วหนึ่งทิฏฐิวิสุทธ์สองกังขา ว, วิตรณนวิสุทธิ์สามมัคคามัคคายานทัศนวิสุทธ์ใช่ไหมเนี่ยยังมัคคามัคคายานทัศนวิสุทธิ์ทีนี้ ก็ตอนนี้ก็เป็ว่าอยู่ในยาน16ข้อที่สนะตรงนี้แหละที่อภิธรรมวจรสังหะเอาไปด้วยข้อสมัชนญาณเลยไปเรียกเป็นวิปัสนาญาณสิเนี่ยก็หมายความว่าทางอภิธรรมวจรสังหะนับข้อนี้เข้าในวิปัสนาด้วยวายวิสุทธิมรรคไม่นับวาอันนี้เป็นเพียงจ่อจะเข้าวิปัสนา ต้องให้ผ่านทางไม่ใช่ทางก่อนแต่ทางอภิธรรมสังหารนี่นับด้วยบอกว่าพอแยกทางผิดทางถูกก็เข้าทางถูกก็ถือว่าเป็นวิปัสนาเนี่ยเพราะฉะนั้นมติของพระอาจารย์นี่ก็ยังไม่เหมือนกันนั่นเราไปอ่านวิสุทธิมาก็จะมีวิปัสนาญาณ9้า9แต่ไปอ่านอภิธรรมสังหาก็เป็นวิปัสนาญาณสิบนีอ้าวทีนี้ต่อไปปกติเราจะใช้9เนี่ยใช้วิปัสนาญาณเ้า นี่พอมคามัคคยานทัศนวิสุทธิแยกทางวิเชตทางได้แล้วก็ก้าวไปสู่ขั้นวิสุทธิข้อหกละสิทีนี้ใช่ไหมก็หกก็เป็นปฏิปทายาทณทัศนวิสุทธิ์ความวิสุทธิ์หมดจดแห่งปัญญาที่อย่างรู้อย่างเห็นปฏิปทาคือตัวทางแล้วทต่นี้นี่ตอนนี้ตัวทางเลยอันนี้พอเป็นปฏิปทายานทัศนวิสุทธิ์เป็นตัวทางนี่คือตัววิปัสสนาที่แท้จริง อันนี้แหละวิปัสนาญาณเก้าอยู่ในนี้หมดนะวิปัสนาญาณเก้าเนี่ยอยู่ในขั้นเนี่ยที่เรียกว่าปฏิปทายานทัศนวิสุทธ์ทั้งหมดอา้าวก็มาถึงข้อนี้ก็อุทยพยัญาณเกิดขึ้นอย่างคําวิสุทธิมักจะเรียกยาวเป็นอุทยพยานุปาานัสนาญาณแต่อภิธรรมมาจากสังขานี้จะเรียกสั้นแค่อุทยพยัญาณเท่านั้นเองนะ ก็ชื่อเหล่านี้จะไปติดใจมากาก็เรียกต่างกันไปได้แต่ว่ามันก็ตัวเดียวกันเนี่ยอันหนึ่งเรียกอุทยาพญายานเอาสั้นๆอันหนึ่งนี่เติมคําว่าอนุปัสนาเขาไปเป็นอุทยาพยานุปัสนาญาณใ น, นอุทยาพญายานหรืออุทยาพยานุปัสนาญาณก็แปลว่ายานหรือปัญญาที่อย่างรู้ถึงการเกิดขึ้นและดับไป นี่แห่งนามารูปนี่ตอนนี้ขินการเกิดดับเลยใช่ไม้มนี่มันชัดขึ้นว่ามันเห็นความจริงของการเป็นไตรลักษ์เลยพาตอนนี้ความเข้าใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายเห็นตัวปรมัิเป็นนามารูปก็เห็นแล้วแยกได้เน่เห็นปัจจัยของมันเน่เห็นเป็นเป็นทีละอย่างละอย่างแล้วก็มาเห็นตามแนวไตรลักษ์ตอนนี้มันก็จะมา ออกเป็นความชัดเจนที่เห็นความเกิดดับเลย <Yeah. S 1> ความเกิดดับก็คือการแสดงตัวหมดเลยใช่ของนา ม, มารูปแล้วก็ทั้งการที่มันเป็นไปตามปัจจัยทั้งการที่มันเป็นไปตามพัตไตรมัณฑครานี้ <Yeah. S 1> เริ่มนี้คือเข้าปฏิปัธาญาณทัศนวิสุทธิเป็นวิปัสนาญาณ9ข้อที่หนึ่งแต่เป็นญาณข้อที่เท่าไรในญาณ16เป็นข้อที่4ี่ใช่ไหม เป็นข้อที่สี่ในยานโสรถหรือโสรถสยานที่สำนักวิปัสสนาเอามาใช้วัดลำดับยานหรือความก้าวหน้าในวิปัสสนาเอานะเป็นอุทย พ, พ ย, ายานยานอย่างรู้การเกิดขึ้นแล้วดับไปเห็นนามรูปเกิดดับเกิดดับโอ้เอาละสิทีนี้นะตอนนี้ต้องอาศัยสมาธินะถ้าไม่มีสมาธินจิตมันก็ฟุ้งซ่านไปสินะ การที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้มันต้องมีความคงที่สม่ำเสมอพอสมควรจิตมันต้องอยู่ต่อเนื่องพอสมควรกับสิ่งนั้นมันจึงจะเห็นได้นี่แหละเห็นไหมปัญญาจะทํางานได้ผลต้องอาศัยสมาธิอ้าวทีนี้ต่อไปพอได้อุทยาพญายานยานอย่างเห็นความเกิดขึ้นความดับไปแล้วทีนี้เมื่อเห็นไปเห็นไปนี่มันจะไปเด่นโกนดับดับดับดับดับดับดับดับเกิดดับเกิดดับ ทีนี้พอเห็นไปนานๆต่อเนื่องกันเนี่ยไอ้ความชัดเจนมันจเจนการดับนะมันจะเด่นที่การดับก็เรียกชื่อตอนนี้ว่าพังขยานยานยังรู้การแตกดับไปแห่งนามรูปนะตอนนี้ตัดการเกิดออกมัมาเด่นที่การดับ เว่ามันเกิดมาเท่าไรก็ดับไปหมดแหละน่ถ้าใครว่าสรุปเป็นคอนเซ็ปต์ก็ได้ทำนองนั้นเกิดมาดับไปหมดเกิดดับดับไปหมดน่ถ้าเรียกเป็นแบบของพิสุทธิมรรคก็พังขานุปัสสนายานแบบอภิธรรมวจิสสงหาก็เรียกแค่พังขยานนี่พอเห็นแต่การดับดับดับดับดดับก็เกิดความอย่างรู้เป็นญาณข้อต่อไปอ่า ตอนนี้ก็จะเกิดการเห็นว่าสิ่งทั้งหลายนี่มันมีแต่ว่าดับไปเกิดแล้วมันก็ดับไปหมดชักรู้สึกน่ากลัวเห็นเป็นภัยท่านเรียกว่าพยาตูปัฏฐานญาณแปลว่ายานย่างเห็นนามรูปหรือสังขารทั้งหลายโดยความเป็นของปรากฏโดยความเป็นของน่ากลัวอุปทานเรื่อความปรากฏ เห็นปรากฏไเป็นของน่ากลัวมิตดับดับไปอะไรเกิดมาก็ดับไปหมดเป็นของน่ากลัวญาณมองเห็นโดยความเป็นของน่ากลัวนะนี่เป็นวิปัสสนาญาณข้อที่สามใช่ไหมแล้วก็เป็นญาณสิบหกข้อที่เท่าไรละข้อที่ห้าใช่ไหมอาต่อไปทีนี้ก็เดินหน้าต่อไปอีกพอเห็นเป็นของน่ากลัวแล้วก็ เห็นว่าโอ้มันไม่ได้มีดีอะไรเลยสิ่งทั้งหลายนามารูปสิ่งที่มนุษย์ยึดถือคลั่งไคล่ลุ่มหลงไปนะ่ะว่าเป็นความสุขความอะไรต่างๆสิ่งบำรุงหมดเลยอะไรทั้งหลายในโลกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีข้อบกพร่องนะ่ะไม่ใช่สิ่งที่มีความสมบูรณ์ไม่ใช่สิ่งที่จะน่าเอาหน้าเป็นอะไรแล้วไม่ใช่ไม่น่าจะเป็นจุดหมายของชีวิตนะ่ะ ท่านเรียกว่าอาทินวญาณหรืออาทินวานุปัสนาญาณญาณอย่างเห็นอย่างรู้โดยความเป็นโทษมองเห็นโทษแล้วต่นมองเห็นโทษข้อเสียข้อบกพร่องจุดอ่อนของสิ่งทั้งหลายว่ามันบกพร่องมันไม่สมบูรณ์มันไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่จะพึงเป็นจุดหมายของชีวิต ไม่ทําให้ชีวิตดีงาประเสริฐเลิศอะไรขึ้นมาได้นะทีนี้ก็เป็นอาทินวัจยะพอเห็นโทษแล้วทีนี้ต่อไปก็เกิดขึ้นมาอีกยานหนึ่งต่อจากนั้นเลยต่อจากนั้นก็เป็นเบื่อหน่ายเลยหน่ายออกแต่ก่อนที่เคยยึดเคยติดเคยผูกพันเคยลุ่มหลงคลั่งใครมัวเมาอะไรต่างๆแล้วแต่ระดับนะแม้แต่ติดนิดติดหน่อยตอนนี้มันตรงข้ามมันหน่ายออกคลายติด ไม่ติดแลละนายออกไปจะหลุดออกไปนะตอนนี้นิพพิทายาณหรือว่าวิสุทธิมาร ก, ก็เรียกว่านิพพิทานุปาานัสนะาญาณเ้าญาณที่เท่าไห่แล้ว <c oughs> ชักเยอะใหญ่แล้วนะนะหนึ่งในวิปัสนาญาณเก้าหนึ่งอุทยพยาญาณสองพังคญาณสามพยตูปถานญาณสี่อาทินวญาณหาก็ตัวนี้แหละ นิพิทาญาณญาณย่างเห็นโดยความเบื่อหน่ายทำให้เกิดความหน่ายออกไปหน่ายออกหายติดแล้วตอนนี้พอเกิดนิพิทานุปาานัสนญาณทีนี้ก็ต่อไปก็เกิดปฏิสังขายาณปฏิสังขายาณพอหน่ายออกไปก็ทีนี้ก็เอ๊ะทำไงจะหลุดออกไปได้ จะเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้ก็เป็นญาณที่กลับไปทบทวนหาทางแหละนะทบทวนหาทางเพื่อเห็นทางออกไปจากสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เป็นโทษแล้วก็มองเห็นว่าหน่าเบื่อหน่ายจะไม่ติดและจะอยากจะเป็นอิสระจะออกไปได้อย่างไรนะญาณตัวนี้เป็นญาณที่ไปทบทวนความรู้เก่าไปทบทวนมองเห็นความเป็นจริงของสังขารที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามพระไตรลักษ์นะ ก็เป็นการพิจารณาทบทวนในการที่จะเห็นทางออกไปนะ่ะเป็นอิสระทีนี้เมื่อพิจารณาทบทวนความจริงของสังขารเองนามาลูปไปมาก็จะเห็นว่าอ๋อมันก็เป็นข้ามันอย่างนี้แหละมันเป็นธรรมดาข้ามันนะ่ะมันไม่ได้ดีได้ชั่วสิ่งทั้งหลายมาเป็นอนิจจังทุขังนรตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนะี่ยมันก็เป็นไปตามธรรมชาตินะ มันเรื่องอะไรเราไปติดมันเองแล้วเราไปหลงแล้วเราก็ไปเบื่อในไปหน่ายใช่ไหมไอ้ที่จริงเบื่อหน่ายมันก็เป็นอาการของเราที่เกิดจากไอ้ความติดเก่าปฏิกิริยาที่จริงสิ่งทั้งหลายมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละเพราะว่าอ๋อสิ่งทั้งหลายก็เป็นของมันอย่างนั้นเองมันเป็นกฎธรรมชาติตามธรรมชาติตอนนี้แทนที่จะหน่ายก็เปลี่ยนเลยตอนนั้นเบื่อหน่ายใช่ไหม ตอนนี้เปลี่ยนเป็นวางใจเป็นกลางได้ตอนนี้จิตเรียบเลยนี่นสังขารุเปกขายานมาแล้วนะตอนนี้ถ้าเรียกว่าสังขารุเปกขายานแปลว่าญานที่ทําให้เกิดความวางใจเป็นกลางต่อสังขารนี้อุเบกขามาแล้วไงนะสังขารุเปกขาก็สังขารอุเบกขายานนี่แหละคือปัญญาที่เห็นความจริงแท้ใช่ไหม เราคิดดูสิกว่าจะมาถึงสังอุเบกขาได้นี่ต้องผ่านยานมาต้องกี่ยานอุเบกขานี่ไม่ใช่เบาสูงมากนะจิตเรียบเลยเท่านี้ตอนนั้นมันยังไปเอียงขวาเอียงซ้ายใช่ไหมนี่ตอนแรกนี่มันยึดติดในสิ่งทั้งหลายอยู่เนเอียงไปข้างหนึ่งเพราะว่าเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายเกิดดับเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตามาเอียงอีกข้างและเอียงไปทางจะหน่ายจะไม่เอาและหนีเบือนาย พอเห็นความจริงแท้อีกทีหนึ่งถึงขั้นรู้ความจริงมากขึ้นชัดเจนคราวนี้อุเบกขามาเลยจิตเรียบสงบเลยนะวางใจเป็นกลางแล้วไม่เอียงขวาไม่เอียงซ้ายแล้วใช่ไหมมันก็เป็นอย่างนั้นธรรมดาของมันนี่เรื่องอะไรจะไปหน่ายไปอะไรอะไรก็วางใจเป็นกลางเป็นจิตที่เป็นอิสระแท้จะเป็นอิสระแท้ไม่ใช่จิตปฏิกิริยาจะไปเบื่อหน่ายจะไป นีจะไปอะไรไอ้นันเป็นเพียงขั้นตอนนะแต่ถ้าไม่อาศัยไม่ได้ขั้นนั้นมาก็ไม่ถึงขั้นนี้เหมือนกันนะเอานะก็ได้สังขารุเปกขายยานยานที่อย่างรู้ทำให้วางใจเป็นกลางต่อสังขาร น, นะต่อไปตอนนี้พอวางใจเป็นกลางสังขารได้ทีนี้มันก็เกิดความพร้อมขึ้นมาเลยจิตก็โน้มไปคล้อยไปตามเห็นเห็นความจริง สอดคล้องกับความเป็นจริงที่แท้เรียกว่าสัจจานุโลมิจายานแปลว่ายานที่คล้อยตามสัจจะหมายความว่าเห็นตรงสอดคล้องกับความเป็นจริงที่แท้ของสิ่งทั้งหลายแต่ก่อนนี้มันเห็นไม่ตรงใช่ไหมตอนนี้เห็นคล้อยตรงตามสัจจะถ้าเป็นอภิธรมรมอจตสังหะก็เ ร, เรียกสันส้นๆว่าอนุโลมายานถ้าเป็นอภิสุทธิมาก็เรียกยาวหน่อยว่าสัจจานุโลมิจายานนะ ครบยังวิปัสนาญาณเก้าครบไหมเอออ้าวแล้วอะไรหายไปแหละถ้างั้นหนึ่งอุทยับพญายาน่ยสองพังคยานสามพยตูปัฏฐานญาณแล้วก็สนิพาทธินวญาณห้านิพพิทายา น, ห, า น, ายานหกมุนจิตุกรรมยตาญาณหายตัวนี้ หายตัวมุนจิตุกรรมยตายานมุนจิตุกรรมยตายานก็เป็นตัวที่อยากจะพ้นไปเมื่อกี้ลืมพูดไปนะพอมันหน่ายแล้วมันก็อยากจะพน้นไงล่ะต่อจากนี้พิธายานนะหน่ายแล้วทีนี้มุนจิตุกรรมยตายานตอนนี้อยากจะพ้นไปแล้วไม่เอาและเลิกจะออกจะหลุดมุนจิตุกรรมยตายานญานที่ทําให้อยากจะพ้นไปเสียเพราะอยากจะพ้นไปเสียก็ปฏิสังขาญาณก็มาทบทวนนะ หาทางออกหาทางเพื่อพ้นไปเสียเป็นปฏิสังขารยานแล้วก็มาเป็นสังขารุเปกขายานแปลว่ายานที่ทําให้วางใจเป็นกลางต่อสังขารใช่ไหมตอนนี้เป็นอันว่าจิตเรียบสงบแล้วก็มาสัจจานุโลมิกายานยานที่เห็นคล้อยตามสัจจะก็แปลว่าจบวิปัสสนาญาณเก้าเนี่ยวิปัสสนาญาณเก้าทั้งหมดทั้งชุดเนี่ย อยู่ในวิสุทธิข้อเดียวกันคือปฏิปทายาณทัศนวิสุทธิในวิปัสสนาญาณเกเติดตรงนี้เป็นข้อที่เท่าไรในวิสุทธิเจ็ดหนึ่งสีลวิสุทธิสองจิตตะวิสุทธิสามทิฏฐิวิสุทธิสี่กังขาวิจารณวิสุทธิห้าอะไรมัขามขยานทัศนวิสุทธิหกปฏิปทาญานทัศนวิสุทธินี่6แล้วหรืออันเดียว เอาแล้วทีนี้พอถึงนี่นะจะเห็นว่าวิปัสสนาญาณเก้ามาเกิดเอาวิสุทธิข้อที่หแล้วจุดจะจบเลยตอนนี้พอวิปัสสนาญาณเก้ามาก็คือปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติที่แท้นั่นเองเป็นตัวปฏิปทาซึ่งจะให้ถึงจุดหมายละจะถึงมรรคผลแล้วพอต่อจากนี้ก็คือมรรคผลตอนนี้ก็จะมีญาณที่เข้ามาขั้นกลาง ระหว่างภาวะปุถุชนกับอริยบุคคลเลย น, ะนี่ไป น, นว่าจบที่นี่ความเป็นปุถุชนยานตอนนี้ก็เป็นยานที่อยู่ช่วงระหว่างไม่จัดเข้าในวิสุธทธิคอไหนท่านเรียกว่าโคตรภูยานนะโคตรภูยานแปลกันว่ายานครอบโคตรโคตรนี่หมายถึงโคตรปุถุชนกับโคตรพระอริยบุคคลนะอริยบุคคลนี่เป็น โคดหนึ่งแล้วก็ปุตุชนนี่เป็นโคดหนึ่งคนละโคดทีนี้โคตรภูยานนี่เป็นยานครอบโคดคือเป็นตัวต่อระหว่างปุตุชนกับอริยบุคคลนะมาจัดในวิสุทธ์ข้อไหนมันเป็นตัวขั่นเฉยๆเกิดเป็นยานหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าโคตรภูยานนะอันนี้เป็นยานที่เทลงไปแล้วในญาสิบหนะ ญาณเก้าหมดไปแล้วนะวิปัสนาญาณเกีนี้ก่อนที่จะถึงวิป 9, ัสนาญาณเก้ามีสามญาณเพราะฉะนั้นเป็นสิบสองเพราะฉะนี้เป็นสิบสามเนี่ยญาณที่สิบสาเรียกว่าโคตรภูญาณพอโคตรภูญาณมาถึงแล้วคราวนี้ก็เก้าไปสู่ความเป็นอนยมุคคลก็ขึ้นวิสุทธิข้อสุดท้ายเป็นญานณทัศนวิสุทธิแปลวความบริสุทธิ์แห่ง ปัญญาอย่างรู้อย่างเห็ น, นก็เป็นตัวโพธิละจะทำกิเลสอาสวะแต่ว่าไม่หมดสิ้นไปต้องเป็นขั้นๆเริ่มตั้งแต่โสดาบันก็ได้เลยอันนี้ก็ได้ถึงขั้นมักผลนิพพานนั่นแหละยานัทธสนวิสุทธิเนี่ยก็เริ่มได้มักก่อนอันนี้พอถึงยานัทธสนวิสุทธินี่น่ะ ก็ได้มักเพราะฉะนั้นก็จะเกิดยานที่เป็นมักเป็นตัวมักเรียกว่ามักขยานนะยาทัศนวิสุทธิ์ก็มีมักขยานมักขยานก็เป็นยานที่14ในะยาน16บหกแลนะต่อจากมักขยานเกิดแล้วก็เป็นผลและยานแหละยานย่างรู้ผลนะพอได้โสดาปฏิมักก็โสดาปฏิผลก็ตามมานะมักแล้วก็ต่อด้วยผล พอผลและยานมาก็เป็นยานที่สิบห้าแหละนะอยู่ในยาณทัทสนาวิสุทธิก็จบยาณทัทสนาวิสุทธินี่คือบรรลุแล้วใช่ั้มเพราะว่าเป็นโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกทาคามิมักสกทาคามิผลอนนาคามิมักอนาคามิผลอรัตมักอรัตผลก็จบยานนัทสนาวิสุทธิทีนี้พอบรรลุมักผลแล้วก็จะมียานอีกยานหนึ่ง เป็นขั้นเรียกว่าเสวยผลแล้แต่ว่าไม่ได้เรียกว่าเสวยผลเป็นการพิจารณาเรียกว่าปัจเจเวคณาญาแปลว่ายานหรือปัญญาที่มาพิจารณาพิจารณาอะไรพิจารณาข้อปฏิบัติของตนการที่ตนได้บรรลุพิจารณามรรคผลที่ตนได้บรรลุพิจารณากิเลสที่ตนได้กําจัดไปแล้วพิจารณากิเลสที่ยังเหลือที่ยังไม่ได้กําจัด ถ้าเป็นพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีก็ยังมีการพิจารณากิเลส ท, ที่ยังเหลืออยู่ซึ่งจะต้องละต่อไปถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ตัดอันนี้ไปได้แล้วก็พิจารณานิพพานนี่เรียกว่าปัจจเวคคณาญาณเป็นของผู้ที่บรรลุมรรคผลแล้วก็พอปัจจเวคคณาญาณก็เป็นญาณที่สิบหก็ครบนี่คือญาณโสรด ก็คลุมเดินมาตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิมาถึงยานัชชนวิสุทธิจบไปเลยที่เราเหนก็ต้องมียานี้ด้วยเลตั้งแต่พระโสดาบันเลยหมายความพอบรรลุมรรคผลแล้วก็จะมียานี้มานะเพราะนั้นแน่นอนก็เส้นผมนี่ประธานที่ได้ทิพยานแล้วก็ยังต้องมีแล้วก็พอบรรลุผลก็มีปัจจเจกขณะยานะก็แปลว่าจบนะะนี่จะเห็นว่ายานมีชื่อต่างๆเยอะแยะ คือใช้ในเรื่องหนึ่งๆยานคือปัญญาที่รู้หรือทรรมกิจแห่งความรู้เข้าใจสำเร็จในเรื่องนั้นๆ น, น, นะแะะั้นก็จะมีชื่อต่างๆไปนี่เป็นยานในวิปัสสนายานอื่นๆก็ยังมีชื่ อ, อเยอะแยะไปนะยานเยอะแนะ ย, ย, ะ, ยะไปหมดอาจจะเป็นร้อยเป็นพันนันแล้วแต่ว่าเป็นยานในเรื่องอะไรนะ คงจะเข้าใจช<ะ>ัดแล้วนะฮะว่าญาณกับปัญญาจะเข้าใจในคาญาณส่วนขั้นตอนอ<ะ>ยังขั้นตามม่างอยงมันขั้งจะติอยู่ในภาษาบาลีที่ว่าพูดเรียกญาณต่าง<ะ>แต่พอเห็นเขาไหมฮ ะ, ะว่าความหมายไม่เป็นอย่างนั้นอเอาพอให้เข้าใจแนวทา ง, งตอนนอ<ะ>ย่างสับสน อ, อ้นออาวทวนสดอีกทีก็ได้นะทวนนะ ก็มาเริ่มกันเป็นการทบทวนว่าการปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายของพุทธศาสนานั่นเป็นการดำเนินตามหลักใจศกขาได้กสีสมาธิปัญญาทีนี้ในการบวนการปฏิบัติที่จริงจังนเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนนั้นก็แยกย่อยออกไปหเห็นชัดแจ้งขึ้น เรียกว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์หรือเป็นขั้นตอนแห่งความบริสุทธิ์เป็นเจ็ขั้นเรียกว่าวิสุทธิเจดนะซึ่งเราก็ต้องเข้าใจว่าเป็นวิธีการจัดระบบแบ่งขั้นตอนแบบหนึ่งนะไม่จําเป็นจะต้องแบ่งแบบนี้เท่านั้นทีนี้การแบ่งแบบนี้นั้นก็จะเน้นขั้นตอนในขั้นปัญญาให้เห็นว่าการปฏิบัติขั้นปัญญาซึ่งสําคัญมากเนะี่ยแยกซอยไปอย่างไร วิสุธทธิเจ็ดก็เริ่มนะตามแนวใจศีกขาข้อที่1ก็ศีลวิสุธทธิความบริสุทธิ์แห่งศีล น, นะขั้นที่2ก็เรียกว่าจิตวิสุธทธิความบริสุทธิ์แห่งจิตคือเรื่องสมาธินะพอได้ศีลและสมาธิเป็นฐานก็ปัญญาก็จะเดินหน้าตอนนี้จะยิ่งมีเรื่องต้องทํามากละเอียดลึกซึ้งไปตามลําดับนะก็เป็นข้อสเป็นข้อแรกของปัญญาคือทิฏฐิวิสุธทธิ ความหมดจดแห่งทิฏฐิคือความเห็นความเข้าใจเบื้องตน้นที่เกิดสมาทิฐิที่แท้จริงในขั้นนี้ก็จะมีญาณหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นปัญญาที่รู้เข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลายโดยรู้ว่าอ๋อที่แท้แล้วสิ่งทั้งหลายไม่มีอะไรมันเป็นเพียงนามรูปคือเป็นสภาวะตามธรรมชาติเนี อันนี้คือความจริงที่แท้เป็นปรมาติไม่ใช่เป็นตามสมมตนะิอันนี้ก็เป็นชื่อหนึ่งเรียกว่านามรูปะปริเฉทญาณญนะาณที่กำหนดแยกนามและรูปได้นะเป็นญาณที่หนึ่งในญาณสิบหกต่อไปพอได้ญาณที่หนึ่งแยกนามรูปได้แล้วมีความเห็นถูกต้องเป็นทิฏฐิวิสุทธ์ก็ก้าไปสู่ขั้นต่อไปก็คือว่า สามารถมองเห็นว่าอ้อนามรูปที่มันปรากฏอย่างเงี้ยมันมีเพราะปัจจัยมันเป็นไปนตามปัจจัยของมันว่าอันนี้เป็นเพราะอันโน้นเะน่ยเกิดการเห็นนะเป็นปรากฏการณ์เป็นนามรูปอย่างนี้มันเกิดเพราะปัจจัยอะไรมันมีอะไรจึงทําให้เกิดขึ้นตอนนี้แสดงว่าจับปัจจัยได้เรียกว่าปัจจยะปริกหายาหรือจะเรียกเต็มว่านามรู ป, ปะปริกหายานก็ได้ ก็จะเป็นความบริสุทธิ์อีกขั้นหนึ่งเป็นปัญญาที่ก้าวไปถึงขั้นรู้ปัจจัยก็เรียกว่าเป็นกังขาวิจรณวิสุทธิเนี่เป็นญาณที่ทำให้ข้ามพ้นความสงสัยนี้ต่อไปจากนี้ก็จะเกิดญาณต่อมาอีกคือว่านอกจากมองเห็นความจริงสิ่งทั้งหลายที่เป็นนามรูปเป็นสภาวะล้วนๆเป็นไปตามธรรมชาติเป็นของในธรรมชาติ เป็นไปตามปจัจจใจของมันแล้วอ๋อมันก็มีอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นไปตามปัจไตรลักษณ์เป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาตอนนี้ก็เป็นญาณที่เรียกว่าสมมัชนญาณแต่เป็นขั้นที่พิจารณายังไม่ได้มองเห็นชัดเจนเลยนะเป็นขั้นพิจรารณาท่านจึงในวิสุทธิมรรคไม่จัดข้าในวิปัสสนาญาณแต่ว่าอภิธรรมจัดสงสารจัดเข้าด้วยตอนนี้มันก็เริ่มเข้าสู่ทางที่ถูกต้อง นะออกจากสิ่งที่ไม่ใช่ทางหรือไม่ใช่มรรคก็เลยเรียกว่ามัรคขามัรคขยานทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งยานปัญญาที่มองเห็นว่าเป็นทางและไม่ใช่ทางหรือมรรคและไม่ใช่มรรคอา้าวทีนี้ต่อไปทีนี้ต่อไปก็ก็จะเกิดยานที่มาเห็นความเป็นไปอาการที่เป็นจริงเลยนะเห็นอาการที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของ สิ่งทั้งหลายของนามารูปเหล่านั้นตอนนี้ก็จะก้าวไปสู่ขั้นวิปัสนาญาณแท้เป็นวิปัสนาญาณแท้ที่หนึ่งเรียกว่าอุทย พ, พย า, ยานหรืออุทย พ, พยานุปัสนาญาณญาณย่างรู้อย่างถึงความเกิดขึ้นดับไปของนามารูปหรือสังขารขั้นนี้ก็เข้าสู่ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเริ่มแรกเลย ต่อไปนี้จะเป็นเรื่องของปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิ์ไปจนจบวิปัสนาญาณเก้าอันนี้ในปฏิปทานี้ก็จะมีการดําเนินก้าวหน้าไปนะต่อจากการที่ได้เห็นการเกิดดับแล้วก็จะเห็นชัดในส่วนการดับให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายมันเกิดมาเท่าไหร่ดับไปเท่านั้นดับหมดดับหมดดับนะพอเห็นการดับเรียกว่าพังคานุ ป, ปัสนาญาณหรือพังขญาณอันนี้พอเห็นการดับ มากๆเข้ามีแต่การดับเห็นสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นก็ดับไปก็เลยมองเห็นโดยความเป็นภัยเป็นของที่น่ากลัวนะก็เลยเรียกว่าเป็นพยะตูปฐานะยานหรือเรียกสั้นๆว่าพยาญานนะอันนี้พอเห็นโดยความเป็นของน่ากลัวแล้วก็เห็นเป็นสิ่งที่บกพร่องนามรูปสังขารอะไรต่างๆนี่ไม่ใช่สิ่งสมบูรณ์เป็นสิ่งที่เป็นโทษไปยุดเข้าก็ยิ่งมีแต่ความเสียหาย ไม่เป็นไปนตามใจปรารถนาไปยึดถือเข้ามันฝืนความปรารถนาก็เป็นทุกข์นะเห็นเป็นโทษ <c oughs> ก็เรียกว่าอาทินวายานต่อจากการเห็นเป็นโทษแล้วก็เกิดนิพพิทายานก็เบื่อหน่ายนิพพิทาเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายหน่ายออกคลายติดไม่ติดละครนี้นะจะออกไปก็เลยเกิดเป็นมุลจิตตุกรรมยตาญานยา น, ยาน ความรู้อย่างรู้ที่ทำให้ปรารถนาจะพ้นไปเสียนะเรียกว่ามุญจิตุกรรมยตาญาณพอมุญจิตุกรรมยตาญาณมาแล้วทีนี้ก็พิจารณาหาทางออกทบทวนนะความรู้ความเข้าใจในความจริงนะเพื่อจะให้เห็นทางที่จะพ้นออกไปเสียนั่นอันนี้เรียกว่าปฏิสังขาญาณหรือปฏิสังขานุปาานัสสนาญาณ อาแล้วทีนี้พอพินายความจริงไปไปม า, มาจะหาทางออกก็จะรู้เข้าใจว่าอา๋อที่เราจะออกทําไมจะไปออกมันเป็นเพราะเดิมเราไปติดมาเนีก็เกิดปฏิกิริยาจะออกความจริงสิ่งทั้งหลายก็เป็นเข้ามาอย่างนี้มันเป็นธรรมชาติไม่ได้บีไม่ได้ดีได้ชั่วที่มาเกิดมนดับมันไม่ได้ดีได้ชั่วมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นจริงอย่างนั้นก็เกิดอุเบกขาคือวางใจเป็นกลาง ต่อสังขารทั้งหลายคือนามารูปเหล่านั้นใจก็เรียบสงบเลยพอใจเรียบสงบแล้วตอนนี้แหละก็จะเกิดปัญญาอย่างเห็นสอดคล้องกับความเป็นจริงที่แท้นะจากสังขารุปเกขาญาณก็จะก้าไปสู่สัจจานุโลมิกญาณญาณที่คล้อยตามสัจจะหรือเรียกสันส้นๆว่าอนุโลมญาณเป็นญาณสุดท้ายเป็นวิปัสสนาญาณที่กนะ้าว แล้วก็ทําให้จบปฏิปทาญ า, านทัศนวิสุทธิ์ด้วยเพราะปฏิปทาย า, านทัศนวิสุทธิ์นี่นก็เป็นเรื่องของวิปัสนาญาณทั้ง9อันนี้พอถึงตอนนี้มันจะก้าวไปสู่วิสุทธิ์ที่ข้อที่เจซึ่งเป็นข้อสุดท้ายก็จะมียานที่ขั้นเข้ามาเรียกว่าโคตรภูยานยานครอบโคดขั้นความเป็นบุุชนกายบุคคลจากนี้ก็ก้าวไปสู่ญาณทัศนวิสุทธิเป็นวิสุทธิ์ที่ข้อที่7 เกิดเป็นมรรคยานยานที่เป็นตัวมรรคเลยนะมาตัดกิเลสเป็นโสดาปฏิมรรคเป็นต้นนะแล้วก็ต่อลําดับนั้นก็จะเกิดผลระยานนะยานที่เป็นผลก็เป็นอันว่าจบญานทัศนวิสุท ธ, ธนะิเป็นวิสุท ธ, ธิข้อที่7จนะ็ดวิปัสสนาญาณจบไปแล้วตั้งแต่ปฏิปทายานทัศนวิสุทธนะิตอนนี้มัรคยานผลรยานก็เป็นยานที่ สิบสี่สิบห้าในญาสิบหกแล้วแล้วก็เกิดมียาอีงนั้นมาสําหรับมาพิจารณามรรคผลผนิพพานเรียกว่าปัจเจเวคขณะยาสําหรับท่านผู้บรรลุมรรคผลแล้วก็เป็นอันว่าจบญาหนึ่งยาสนะิบหกพระอาจารย์ท่านก็เห็นว่าโอ้ยาสิบหกเนี่ยดีเพราะว่าบอกมาตั้งแต่ต้นเลยเริ่มตั้งแต่ได้เข้าสู่แนวทางของวิปัสสนาแม้จะยังไม่ใช่เป็นตัววิปัสสนาแท้มันเริ่มเข้าใจอะไรถูกต้อง การวัดมันจะได้ละเอียดยิ่งขึ้นก็เอาโซรสยาหรือยาสิบหมาใช้วัดผู้ปฏิบัติวิปัสสนานเรียกว่าลำดับญาณนะก็จบนะเอานะฮะอาจารย์ขอเรียนถามว่าอย่างกรณีโซดาสีมัติรือารกุเนี่ยนะฮะมันจะอยู่ในช่วงสิบสี่้าแค่นัเองไม่ต้องกลับไปหนึ่งหนึ่งคือมันมีหนึ่งถึงาพร้อมแล้วตอนสพร้อมแล้วตอนอ๋อเวลานั่น เวลานั้นมันอยู่ในนั้นหมดเลยค่สบ้านั้นไม่ล่ะมันคลุมหมดเลยคือมันคลุมก็ปต้นแล้วแต่ว่าว่าในช่วงีเแบ่งรนี้ไม่ได้แบ่งเวลามาเกิดนี่มันพับเดียวเลยเนี่ยเนี่ยมันหมายความเวลาแบบเดียวกับสัมปชัญญะเวลาเราเกิดปัญญาอะไรแล้วเนี่ยนะทีนี้เนี่ยไอ้ที่มันมีอยู่เนี่ยมันไม่ต้องไปนึกทบทวนแหละใช่ไมเนี่ยนมันรู้แล้วแต่ว่ามันพินากิน ครุมหมดไม่ใช่ไม่ไม่เกี่ยวนะ <_ d ata> ใช่ไหมมันต้องอย่างรู้อย่างนั้นถ้าไม่มีความรู้นามรูปแล้วมันจะไปมีอันนี้ได้ไงแต่ว่าความละเอียดละออมมันต่างกันอที่จะเห็นชัดลงไปครอบคลุมหมดแ่างอย่างขั้นหนึ่งถ13ามนี่มีความจําเป็นที่ต้องเป็นลําดับขั้นอย่างนี้เพราะว่าบางคนจะหนึ่งไปสาไปห้าไปสิบสาเลยว่าจาเป็นต้อง อ่าคืออย่างนี้ต้องอุปมาคือว่ามันอาจจะไม่ต้องปรากฏชัดออกมาเพราะเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนของจิตของปัญญาเหมือนกับท่านขึ้นยอดเขาเนี่ยถ้าท่านเดินท่านอาจจะเห็นเป็นลําดับชัดใช่ไหมเดินขึ้นเขาแต่บางคนเขาไม่เดินขึ้นเขาเอารถยนต์ขึ้นบางคนเขาไม่รถยนต์ขึ้นเขาเอาเฮลิคอปเตอร์ขึ้นเลยถูกไหมแต่ว่าไม่ว่าขึ้นอย่างไหนต้องลําดับหมดถูกไหม แต่ว่าเรือเ่องเฮลิคอปเตอร์เนี่ย ม, มันแทบไม่ต้องพูดถึงลำดับเลยใช่ ไ, ชไออไม่มันคลุมหมด<ช> ม, ม, มันครอบคลุมไปเลยแต่ที่จริงมันก็ลำดับนั่นแหละอันนี้นเป็นเพียงอุปมาแล้วอสมวัคคยานไม่ทราบว่าไม่ได้อยูย่ในลักษณะอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องในระดับคันยังงอยู่ถูกคลุมอยู่ในนี้หมดไม่มาอยู่ได้ยังไงไม่อยู่มันก็บรรลุมากผลนิพพานไม่ได้ ไม่ใช่ไม่ใช่ับอยู่ในขั้นมักขยานผลญาณมักขยานผลญาณปจัจเจไว้คณะญาณเป็นเพียงพิจารณาสิ่งที่ได้บรรลุไปแล้วฮะโคตรภูยานนี่เป็นระหว่างระหว่างพุทุชนกับอริยะใช่ฮะญาณครอบโคตร<อ>ตัวขั้นระหว่างความเป็นพุทุชนกับอริยบุคคล อันนี้คนที่ได้โคตรภูยานะนี่ไม่ทราบว่าจะหรือว่าเป็นอริยมูลคนได้ไหมครับมันไม่มา ย, ยังยังไม่ได้ยังไม่ใช่มันไม่มาอยู่อยู่อย่างนั้นหรอกมันเป็นเพียงยาที่มาขั้นแล้วมันก็ก้าวไปเลยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ของที่มามหยุดอยู่ได้ ถูกแล้วผมรู้ว่าพวกนี้จะปริบตาเดียวพริบตาเดียวแต่หมายความว่าถ้าพูดถึงช่วงจังหวะที่ได้และจังหวะที่เขาหยุดตัวโคตรภูญาณไม่ได้เป็นมรรคเป็นผลใช้ไม่ได้ไม่ไม่เป็นมรรคเป็นผลการที่จะเป็นอนิจบุคคลต้องได้มรรคขยานไม่มีเป็นตัวเด็ดขาดคือถ้าไม่ได้มรรคขยานก็แปลว่าไม่มีทางมันยังไม่ได้เป็นอนิจจบุคคลเพราะตัวตัดสินมันอยู่ที่นี่โสดาปฏิมรรค โสดาปติมาก็เรียกเต็มก็โสดาปฏิมาขยานใช่ไหมก็ยาวแล้วนะวันนี้นะนก็บอกแล้วว่าเป็นความรู้พิเศษคือว่าเรายังพูดกันในเรื่องทั่วๆไปก่อนแต่ตอนนี้กลายเป็นมาพูดถึงเรื่องข้อปฏิบัติจำเพาะก็เอาพอประดับความรู้ไว้นะฮะ<ม>ก็อาจจะมาคุยกันเรื่องปัญญาในแงอน่อื่นๆต่ออีกบ้าง แล้วหลับเช้านี้ก็เอาเท่านี้ก่อนก็นแล้วกันนะ